ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สิบก็พูดเรื่องพิธีกรรมที่ค้างไว้ก็ได้พูดถึงการที่ว่าความหมายของพิธีกรรมมันได้เป็นไปแบบสมัยโบ ร, ราณศาสนาโบ ร, ราณคือ มองในแง่ของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสื่อการอำนาจเร้ลับที่มองไม่เห็นอย่างหนึง่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็เลยมองไปในแง่เป็นเรื่องที่ศักทว์ธรรมทํำไปไม่มีความหมายอะไรเนี่ยอันนี้เวลามองพิธีกรรมในปัจจุบันเนี่ยความหมายเดิมเนี่ยมันมาครอบงำซะทาให้บางทีก็ไม่เห็นประโยชน์ของพิธีกรรม แล้วก็เลยมามองว่าเอพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นมีเรื่องเนื้อหาสาระเป็นแต่เพียงพิธีกรรมแสดงว่าพุทธศาสนาเสื่อมก็เป็นการมองที่ทำให้ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากพิธีกรรม <c oughs> คล้ายๆว่าพิธีกรรมนี่ในแง่หนึ่งเหมือนกับเป็นเครื่องหมายว่าพุทธศาสนานี้จะหมดแหละ ซึ่งมันก็มีความจริงอยู่ถ้าหากว่าพิธีกรรมเป็นเป็นลักษณะที่ไม่มีความหมายไม่สื่อเนื้อหาสาระแต่ว่าท่านได้มองในทางกลับกันแม้แต่ว่าพิธีกรรมที่กำลังจะหมดความหมายนี่แหละในแง่หนึ่งมันก็ยังเป็นรูปแบบที่แสดงว่าพุทธศาสนานั้นยังไม่ถึงกับหมด เมื่อมันยังเหลืออยู่ตัวจริงมันจะหมดไปเหลือรูปแบบที่ทรงไว้ก็เท่ากับยังเป็นโอกาสให้เราเนี่ยฟื้นฟูได้ง่ายขึ้นถ้าลองคิดดูว่าถ้าไม่มีเหลือแม้แต่รูปแบบคือพิธีกรรมแล้วจะยิ่งแย่ใหญ่นะเพราะเนื้อหาสมมติว่าเนื้อหาหมดจริงแล้วรูปแบบก็หมดอีกทีนี้ละ่ะลำบากแล้วฟื้นยาก การที่มันยังมีพิธีกรรมเป็นรูปแบบเหลืออยู่แม้เนื้อหาจะหมดไปก็ยังเป็นโอกาสว่าเออมันยังไม่สูญสิ้นหมดโดยสิ้นเชิงเราก็ใช้พิธีกรรมที่เป็นเหลือซิเป็นส่วนเหลือเนี่ยเป็นช่องทางที่จะฟื้น ฟ, ฟูตัวพุทธศาสนากลับมาก็คือฟื้นเอาเนื้อหาสาระกลับมาใส่ในรูปแบบนิสเสียใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออเหลือพิธีกรรมแล้วจะหมดแล้วก็เลยทิ้งไอ้ตัวรูปแบบนี้ซะอีกเนี่ย ก็เท่ากับว่าไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันเหมือนกับว่าเป็นป้อมประการสุดท้ายของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทิ้งป้อมประการสุดท้ายนี้อีกหรือเนี่ยเราก็ควรจะเอามันมาใช้ประโยชน์เพื่อจะได้กลับฟื้นกําลังนีก็ถ้าใช้มันเป็นก็น่าจะได้ประโยชน์มีคุณค่าอยู่ทีนี้ ความหมายของพิธีกรรมที่ว่าสื่อสาระเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะไปติดอยู่กับความหมายของพิธีกรรมในแง่ที่ว่าเมื่อกี้คือศาสนาโบราณเป็นเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์แล้ก็อะไรพอไม่เห็นความหมายนั้นก็เป็นเรื่องของการศักวัตธรรมไปซะอันนั้นก็เราโมไปติดความหมายเดิม ความจริงนั้นพิธีกรรมมันก็มีความหมายอื่นอยู่แล้วถ้าเรามองกว้างออกไปเราจะเห็นว่าเรื่องราวกิจการของส่วนรวมที่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นกิจกรรมในทางสังคมใะปกติต้องมีพิธีกรรมทั้งนั้นเมื่อเราจะมีการแม้แต่การประชุมก็ต้องมีพิธี ก็ว่าเริ่มตั้งแต่ว่าเออจะมีการประชุมนะ <Yeah. S 1> พอมองว่าเป็นการประชุมก็คือการที่ว่าเราต้องจัดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแหละไม่ใช่ว่าอยู่กันยังไงกันได <Yeah. S 1> ้การที่จัดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั้นคือการทําเป็นพิธีแล้วเราพิธีก็คือวิธีนั่นเองพิธีก็มาจากคาว่าวิธีพพิธีพอก็แผลงมาจากบวช อันนี้กรรมก็คือการกระทําหรือกิจกรรมเพราะฉะนพิธีกรรมก็เรว่ากิจกรรมที่เป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะนําไปสู่ผลที่ต้องการอันนี้ว่าถ้าเราจะมีการเราต้องการที่จะพูดจารเรื่องอะไรขึ้นมานะเพื่อจะปรึกษาหารือกิจกา ร, รส่วนรวมอะไรก็ตามถ้าไม่มีการประชุมมันก็หาโอกาสหรือจะพูดกันได้เรื่องได้รายาก ไปพูดคนน้นทีคนนี้ทีมาถ้าจะได้เรื่องได้เราก็ให้มีการพบปะพร้อมเพรียงกันการที่จัดให้มีการพบปะพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นพิธีแหละอ้าวเริ่มแบบมีการประชุมนะวันที่ตอนนั้นเวลานั้นนี่ก็ทําให้เราได้มาพบปะกันพอพบปะกันก็ยังต้องมีการจัดอีกว่าอา้าว จะจัดที่นั่งอย่างไรมาล้อมโต๊ะกันนี้นะไม่ใช่เป็นนั่งกระจายกระจายคนอยู่คนร้องนะี่ยนั่งลําดับยังไงนะีให้ประธานนั่งตรงไหนเวลาจะเริ่มประชุมก็มีการเปิดประชุมถ้าเป็นเรื่องของกิจการใหญ่ๆมาประชุมกันหลายร้อยคนเงี้ยก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเอาแล้วนะจะเริ่มต้นแล้วนะคนนี้เป็นประธานก็ต้องมีการกล่าวเปิดหรือพูดแนะนําบอกความมุ่งหมายในการประชุมนี้ หรือประเด็นที่ต้องการจะพูดเนี่ยล้วนแต่เป็นพิธีเท่งนั้นก็รวมความในแง่นี้ก็คือว่าพิธีกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการของส่วนรวมให้กิจกรรมส่วนรวมนั้นดำเนินไปอย่างได้ผลเริ่มตั้งแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องนัดหมายแหละพอบอกว่าจะมีกิจกรรมอย่างเนี้ย ซึ่งจะต้องมีคล้ายๆเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วว่าเอามาพบพร้อมกันนะที่นั่นที่นั่นอย่างเงี้ยมันเป็นระเบียบขึ้นมาทันทีก็เป็นการนัดหมายทําให้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนั้นได้รู้ว่าจะไปทําอะไรเมื่อไหร่แล้วพอไปในที่นั้นแล้วนันดพบด้วย น, นัดพบพร้อมกันแล้วก็นัดหมายว่าเอาแล้วน ะ, นะถึงตอนนี้ จะเริ่มและกิจกรรมที่ว่าเนี่ยทีนี้แม้แต่ในทางศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์ออกไปเราก็จะเห็นอันนี้ด้วยอย่างเวลาเริ่มพิธีมาประชุมพร้อมกันจะทำกิจกรรมส่วนรวมเช่นที่เรียกว่าทำบุญผู้ที่เราเรียกว่าเป็นประธานซึ่งเมื่อผู้เป็นประธานเคลื่อนไหวนี่คนก็จะเอาใจใส่อยู่แล้ว คนที่เป็นประธานนี่ก็จะไปจุดทูบพอประธานไปจุดทูปนี่เป็นเครื่องหมายบอกนัดหมายกันแล้วว่าเอาแล้วนะเริ่มต้นทุกคนที่จอกแจกจอแ จ, อ เ, จอเดินกันพลาดกันหยุดนะมานั่งกันที่คุยกันก็หยุดสงบปากสงบคำสายตาก็รวมกันจ้องไปที่เดียวกันนีเ่เกิดความจริงจังในการเริ่มต้นแล้วนัดหมายว่า เราจะได้ร่วมกิจกรรมส่วนสรวมกันนะอันนี้ก็ประธานก็จุดถูบเทียนบูชาพระรตนตรัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้วัะนั้นพิธีกรรมในความหมายนี่ก็ทำให้หนึ่งเป็นการนัดพบสองเครื่องนัดหมายนะในการทำกิจกรรมส่วนรวมสามสร้างความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังว่าจะเอาแล้วนะเรื่องนี้ที น, ะ น, นี้ต่อไปยังไงล่ะ ต่อไปมันก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่จะนําเข้าไปสู่งานที่เราต้องการแหละอย่างเรื่องของพระสงฆ์นี่อย่างสวดปาฏิโมก <c oughs> สวดปาติโมกที่เราเรียกเป็นสังฆ ก, กรรมอย่างนึ่เป็นงานของส่วนรวงแต่จะเริ่มต้นก็ต้องมีนะมีการจัดเตรียมเวลาเริ่มสวดก็ยังมีการซักซ้อมถามส ม, มัชจานีปฏิโปจะอุทะกังอาสนาีนะจ๊ะ สมัชชนีการกวาดสถานที่ทําความสะอาดทํำระอย่างนี่ใช่ไหมปฏิโปรจะนะตั้งจุดดวงประทีปเทียนหรือไฟส่องละอย่างนะนี่จะมีกิจกรรมร่วมกันเนะนี่ยอย่างน้อยนี่ฮะปฏิโปจะเนี่ยเวลาสูตรปาฏิโมกนี่อาจจะเป็นที่มาของการที่มีการประเพณีถวายเทียนพรรษาหรืออะไรกันด้วยก็ได้นะพามาอยู่ร่วมกันมีกิจกรรม อย่างน้อยต้องมีการสวดปาฏิโมกข์ทุกครึ่งเดือนต้องอาศัยดวงประที่อุทกังตั้งน้ำแล้วยังน้ำฉั น, นต้องเตรียม่ให้พร้อมในกิจกรรมสุวรวมการประชุมจะเริ่มต้นแล้วอาสนีน จ, จะปูราดอาสนะไว้พร้อมไม่ใช่มาถึงจะประชุมอยู่แล้วยังวุ่นวายทำโน้นทา น, นทีาน่กันไม่เสร็จจะหลอดจนกระทั่งต่อุตุก ข, ขาหนางังบอกฤดูภิกขุคณน า, น, า, น, า น, นับจานวนภิกษุนี่อะไรเนี่ย นี่ถ้าเรียกกั บ, บุพกรสิ่งที่ต้องทําก่อนก่อนที่ตัวการประชุมจริงคือสวดปาฏิโมกจะมาแสดงว่านี่ในพระศาสนาการทํากิจส่วนรวมนี่ให้ความเอาใจใส่ว่าเตรียมการให้พร้อมไม่ใช่มาวุ่นวายกันตอนประชุมแล้วการประชุมจะได้ดําเนินไปได้ดีใช่ไหมนี่ถ้าสวดกลางวันนะปฏิ ป, ะปจะบอกว่าปฏิปปาอุชรณันจะในการจุดดวงประทีปให้สว่างเนี่ย บอกว่าสุริยาโลกสัสอาทิตตายะปฏีปกิจจางนัตถิเนี่ยบอกว่าสิ่งที่จะต้องใช้กิจที่จะต้องใช้ดวงปฏีไม่มีเพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์วางอ่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นสวนกลางวันก็บอกนี่นี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมว่าเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นการเตรียมการเพื่อจะให้ กิจกรรมหรือการงานของหมู่ของสังคมสงส่วนรวมมันดําเนินไปได้ด้วยดีนะมันมีความพร้อมและทําให้เกิดความเป็นจริงเป็นจังคนที่มาร่วมก็เห็นความสําคัญใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมทีนี้อะไรเกิดมาอีกประโยชน์จากนี้ประโยชน์ตามมาสิก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาและเพราะจัดเป็นพิธีกรรมใช่ไหมอย่างที่ว่า คนมาก็ต้องสองสามร้อยสร้อยห้า้อนี่พอมีพิธีกรรมบอกสัญญาณเริ่มต้นแล้วนะีต่อไปนี้เอาจริงเอาจังทุกคนต้องอยู่ในระเบียบนั่งกับที่ของตัวเองสงบปากสงบคำไปเที่ยวคุยอะไรกันวุ่นไวายไม่ได้นะีต้องตั้งใจทํากิจกรรมร่วมกันนี้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนีเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอะไรตามมาอา้าวกลายเป็นการฝึกวินัยแล้วสิใช่ไหมในแง่หนึ่งกลายเป็นเรื่องของ ใช้เป็นวิธีการฝึกคนได้วินัยเบื้องต้นเลยวินัยก็นำไปสู่หลายนำไปสู่ศีลใช่เราต้องการศีล น, นี่ในพระศาสนานี่ข้อปฏิบัติสำคัญก็มีไตศิขาศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นศีลก็คือการรู้จักควบคุมกายวิจารการฝึกในเรื่องกายวิจา การที่สามารถทําให้กายวาจาตั้งอยู่ในวินัยได้ตั้งอยู่ในความดีงามความเรียบร้อยทันี้พอมีพิธีกรรมนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการเคลื่อนไหวกายวาจาการพูดต่างๆเนี่ยจะต้องอยู่ในระเบียบไม่ใช่จะเดินวุ่นวายอยู่หรือแม้แต่จะนั่งก็ยังมีการที่จะให้นั่งโดย อาการที่สงบเรียบร้อยนีแล้วก็วาจาก็สงบนิ่งในเมื่อไม่ถึงโอกาสหรือไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้ใช่ไหมอันนั้นก็ฝึกกายวาจาสิทําให้คนรู้จักควบคุมตัวเองทีนี้ศีลนั้นต้องการที่จะฝึกกายวาจาอยู่แล้วถ้าฝึกในเรื่องให ญ, ใหญ่เราไม่เคยเตรียมฝึกในเรื่องเล็กน้อยมาก่อนมันอาจจะทําได้ยาก นคนในสังคมนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันต้องรู้จักสำรวมกายวัดใจของตนเองที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะนั้นพิธีกรรมต่างๆที่มีบ่อยๆกิจกรรมของชุมชนก็เป็นโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยได้ฝึกหัดในแง่นี้ก็เป็นอันว่าพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวินยัยถือได้เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของวินยัยในเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของวินยัยก็เป็นเครื่องฝึก ในเรื่องของศีลนะฝึกกายวาจานั่นเองนะให้เราฝึกแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยจกนกระทั่งเคยชินเราจะรู้จักควบคุมกายวาจางต น, นเองซึ่งหมายถึงการบังคับจิตใจของต น, นเองได้ด้วยทีนี้ในเะมื่อเรารู้จักบังคับควบคุมต น, นเองได้ในเรื่องเล็กๆนน้อยมันก็หมายถึงว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะรักษาสิ่งที่เรียกว่าศีลหรือวินัยในวงกว้างออกไปในเรื่องใหญ่ๆได้ด้วยก็นะ พูดได้ว่าพิธีกรรมก็เป็นส่วนเบื้องต้นของการฝึกในเรื่องศีลอันนี้ได้อะไรอีกพอเป็นเครื่องฝึกในเรื่องศีลแล้วอ้าวอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือความงดงามความงดงามความน่าเลื่อมใสความรู้สึกประทับใจหรือความซาบซึ้ง โดยเฉพาะในทางพุทศาสนานี่จะเห็นได้ว่ามีผลมากเพราะว่าประชาชนนั้นมีจิตที่เป็นศรัทธาอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วหรือเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาในจิตใจมันจะโนม้มน้อมไปในทางของความดีงามพอมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพิธีเข้ามาเช่นว่าพระสงฆ์แม้เพียงว่ามันนั่งพร้อมกันจํานวนมากเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบแค่นี้แหละคนเห็นก็ เกิดความประทับใจแหละใช่มแล้วพอสวดพร้อมกันทำนองเรียบตามที่ฝึกไว้อย่างดีคนฟังนี่มีความประทับใจเกิดความปลื้มใจปีติบางทีร้องให้น้าตาไหลเลยใช่ไมก็ได้ผลทางจิตใจด้วยสิไม่ใชเพาะแค่ศีลนนะได้ผลในต่ทางจิตใจธรรม้จิตใจทราบซึ่งได้ปีติได้ความพองใสของจิตใจนี่ได้ผลมากขึ้น อันนี้จะเห็นได้เวลามีเหตุการณ์พิเศษเหตุการณ์ใหญ่ๆ ใ, ในคนเตรียมจิตพร้อมแล้วเวลามีพิธีกรรมที่ทำอย่างดีเนี่ยนะคนจะได้ความรู้สึกเนี่ยมากนะเกิดความรู้สึกแหมสู้ส้าเลยนะผมเคยเล่าบ่อยๆถึงว่าเมื่อไปอเมริกาเที่ยวแรกนานมาแล้วพศสองารอยสิบห้า ไปคณะเล็กๆสามรูปแล้วไปในอเมริกาในอเมริกาตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มเตรียมสร้างวัดอยู่แห่งหนึ่งที่ลอสแองเจลิสก็ยังเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งเท่านั้นเองส่วนที่อื่นจากลอสแองเจลิสยังไม่มีและคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นน่แทบทั้งหมดไม่เคยมีโอกาสเห็นพระเะพราะหลายคนนี้ไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยนี่มาสามองค์ไปทางแถบตอนออก คือตรงข้ามกับทางลอสแซนเจลิสทางนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียอะไรพวกนี้ก็พบคนไทยญาติโยมเยอะแยะญาติโยมเห็นพระก็ดีใจเพราะไม่ได้เห็นมาบางคนต้องย0สปีหรือ20สกว่าปีเนะี่ยาดีใจมาหาพระกันใหญ่แล้วก็จัดอยากจะให้ญาติโยมได้มาทาบุญร่วมกันนะบางแห่งก็ไปเช่าไปขอใช้ที่ของวัดญี่ปุ่น แล้วก็นิมนต์พระไปเลี้ยงพระตาหารทำบุญฟังธรรมนอันนี้ก็มันก็เป็นพิธีกรรมแบบของตามประเพณีของเราเนี่ยเวลาพระสวดปรากฏว่าญาติโยมร้องไห้น้ำตาไหลกันเพราะอะไรเสียงสวดมนเนี่ยมันลงไปถึงจิตไร้สำนึกเลยนะ ่คนเรานี่มันเรื่องจิตที่มันรู้สึกสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่ฝังลึกในจิตไร้สำนึกตามปกติจะไม่รู้คือเราจะอยู่ได้จิตระดับสำนึกเราก็ว่าไปตามเคยชินเคยชินนั่นออกจากจิตไร้สำนึกแต่ว่ามันออกมาแค่ว่ารับรู้แค่ระดับจิตสำนึกมันก็เลยเรื่อยๆเปืยๆไปทีนี้พอลงไปถึงจิตไร้สนึกมันสื่อมันไม่รู้ตัวเรามันออกมาเอง ตื่นตันใจเนยะเพราะอะไรเสียงสดมดนี่มันทำให้นึกถึงบ้าน น, ะนึกถึงประเทศไทยนึกถึงพ่อแม่นึกถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมันหมดเลยมันสื่อมันเป็นตัวแทนมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกไม่ถูกเลยใช่มแต่ปรากฏขึ้นมาก็คือความตื่นจันใจที่พลั่งขึ้นมาทันทีเนะีนะ่ย ไม่ต้องอธิบายใช่มหมนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีความหมายมากมันสื่อไปถึงอะไรต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นพิธีกรรมซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเอกลักษณ์ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ไปเลยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันเป็นลักษณะที่แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนแล้วเป็นแบบหนึ่งที่ต่างหากจากอย่างอื่นไม่เหมือนเขาละ อันนั้นเวลาไปทําวิธีกรรมแบบพุทชาวพุทธของไทยมันก็สื่อความหมายอันเนี้ที่เป็นอันหนึ่งที่ต่างหากจากคนอื่นเนี่ยไม่มีใครเหมือนใช่ไหมถ้าจะไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะมาสื่อได้ใช่ไหมนั่นเนี่ยก็มีความสําคัญมากและในแง่ของความทราบซึ้งประทับใจต่างๆเนี่ยมีผลมากเล่าอีกครั้งหนึ่งว่ามีลูกโยมท่านหนึ่งนะ มีเพื่อนเป็นคริสวันหนึ่งเพื่อนของลูกแต่งงานลูกก็เลยเข้าไปร่วมพิธีในโบสถค์คริสด้วยลูกมาเล่าให้พ่อแม่ฟังบอกว่าได้ร่วมพิธีได้ร่วมรับเห็นรับฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจมากจนแทบจะอยากเปลี่ยนศาสนาเลยว่าง้ยเนี่ยผล มีมีผลอย่างไรมากมายเรื่องนี้นะฮะถ้ารู้จักจัดอย่างดีเพราะนั้นการจัดพิธีกรรมเนี่ยโดยความหมายแง่นี้ก็ต้องมุ่งไปที่จิตใจของญาติโยมหรือผู้ร่วมนะและผู้พบเห็นไม่ใช่จัดมุ่งไปความใหญ่โตสิ้นเปลืองใช้เงินใช้ทองมากเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าจุดหมายเนี่ยมันไม่ค่อยมี มันไปมุ่งเพราะว่ามันกลายไปว่าไอความหมายที่แท้จริงนี่มันเลือนลางไปใช่ไหมมันก็เลยมาเหลือนในแง่ของความใหญ่โตจัดเอาใหญ่โตเข้าว่าเนะี่ยใครจะใหญ่กว่ากาันให้ลือลั่นไปทั่วเนะี่ยทั้งจังหวัดเลยว่าที่วัดนั้นมีพิธีกรรมใหญ่โตมโหรานเลยเนะี่ยก็ซึ่งหมายถึงการใช้เงินสิ้นเปลืองมากๆด้วยแทนที่จะคํานึงถึงคุณค่าผลทางด้านจิตใจว่าจะทําให้คนเนี่ย เกิดภาษาธ่เกิดศรัทธ า, เ ก, ธาเกิดความทราบซึ่งเกิดปีติน้อมจิตไปสู่คุณงามความดีได้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่ถ้าเราจัดพิธีกรรมได้ดีนี่ก็น้อมจิตไปสู่ความดีงามกระตุ้นเตือนใจให้คนอยากจะทําความดียิ่งขึ้นไปอะไนี่แสดงว่าได้ผลนี่เริ่มสื่อความหมายแล้วใช่ไหมอ้าวแปนว่าพิธีกรรมก็มีความหมายขึ้นมาอีกนอกจากเรื่องฝึกเรื่องศีลแล้วก็ได้ความเรียบร้อยงดงาม นี่นำไปสู่ผลคุณค่าทางจิตใจอีกอะไรอีกอมีผลในแง่ว่าพิธีกรรมในรรมศาสนานี่เป็นการเตรียมโอกาสทำให้พระเนี่ยเริ่มตั้งแต่ได้พบกับญาติโยมแล้วต่อจากนั้นพระจะเอาอยัางไงเมื่อโอกาสเปิดแล้วจะได้สื่อธรรมกระกับญาติโยมทาหน้ทนาที่ของพระ เมื่อพบแล้วนะโอกาสให้แล้วนะก็ใช้โอกาสนี้ทําหน้าที่ทํากิจของตัวเองตามบทบาทของตนเองอ้าวก็จะได้โอกาสสอนธรรมะนะจะได้พูดจาทักทายปราศัยไถ่ถามนะี่เขามีข้อสงสัยทางธรรมะยังไงก็อธิบายให้เขาฟังหรือไม่ได้สงสัยก็ไม่มีโอกาสถามก็จะได้ชี้แจงชี้แจงสแสดงธรรมใช่ไหมเป็นโอกาสสาคัญของการสแสดงธรรมนั่นเองเพราะว่า ก็เป็นโอกาสที่จะให้ทำได้เคยพูดไปแล้วว่าเมื่อพระพบกับญาติโยมหน้าที่ตา ม, มบทบาทก็คือการให้ทำเมื่อยังไม่ได้พูดก็ให้ทำโดยไม่ต้องพูดนะให้โดยการปรากฏตัวของตัวเองที่ถูกต้องตามลักษณะความเป็นสมณะที่มีความสงบเป็นต้นก็ทําให้จิตใจขอยงโยมนี่มีความสดชื่นเบิกบาน นึกถึงเรื่องทางพระศาสนานึกถึงธรรมะและนึกถึงพระรัตนตรยัยจิตใจเขาดีงามและให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดต่อไปมีโอกาสก็พูดตัวเองมีความสามารถก็อธิบายธรรมะให้เขาฟังใช่ไหมอันนี้ก็พิธีกรรมก็กลายเป็นโอกาสให้พระให้พระสงฆ์ได้พบกับญาติโยมและจะได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองทาประโยชน์แก่ประชาชนใช่ ถ้าไม่มีพิธีกรรมนี่โอกาสที่พระจะพบกับญาติโยมยากแล้วญาติโยมมาวัดก็มาด้วยพิธีกรรมซะเยอะและส่วนหนึ่งที่จะมาโดยไม่มีพิธีกรรมน้นอยใช่ไหมพิธีกรรมก็เป็นโอกาสได้พบญาติโยมที่วัดยิ่งนอกวัดด้วยโอกาสที่จะพบถ้าไม่มีเลยก็มีพิธีกรรมเนี่ยมีงานขึ้นบานใหม่งานอะไรต่างๆสังคมจัดขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่พระจะใช้โอกาสหรือไม่ใช่ไหมนี่โอกาสมีแล้ว เตรียมโอกาสให้พระทําหน้าที่ตามบทบาทของตนโดยเฉพาะในการที่ให้ธรรมะแก่ประชาชนอ้าวยังมีประโยชน์อะไรอีกละ่ะก็มีประโยชน์ในมีเยอ ะ, ะอันนี้ก็ต่อไปก็คือว่าสําหรับคนหมู่ใหญ่การที่พระจะสื่อสารกับคนหมู่ใหญ่เนี่ย ธรรมะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นนามธรรมลึกซึ้งคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ใหม่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงยากไม่สนใจด้วยไม่เอาใจใส่การที่จะมาพบพระก็จะมีคนน้อยคนที่จะมาใช่อันนี้พิธีกรรมนี้จะเป็นการสื่อสารกับคนหมู่มากได้แล้วบางทีเราให้ธรรมะในรูปที่เป็นเนื้อหาสาระ เป็นนามธรรมเนี่ยพูดจายากไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่สนใจจะฟังก็ต้องเอากิจกรรมมาใช่ที่เป็นรูปแบบเอารูปแบบเอากิจกรรมมาก็ช่วยให้เขามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงที่จะให้เขาเข้าใจไปถึงสาระที่เราต้องการที่เป็นธรรมะอย่างได้ผลนีอันนี้ก็จัดเอาสิก็ต้องพัฒนาพฤธีกรรมด้วย ไม่ใช่ปล่อยเลื่อยไปสักว่ารำ ม, มตามกันมานั่นแหละถ้าสักว่าทรตม ต, มตามกันมามันจะเ ข, เข้าความหมายอย่างที่ว่าข้างต้นก็คือพิธีกรรมก็เป็นเรื่องทำพอเป็นสักวธรรมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งแหละอันนี้นอกจากนั้นแล้วพิธีกรรมก็มีประโยชน์อีกอคือเป็นส่วนเบื้องตน้น เป็นสูตรเบื้องต้นที่จะนำไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเราจะให้คนปฏิบัติทำยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจะบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบก็ต้องมีการเตรียมกายเตรียมจิตทำให้จิตนี่พร้อมวุ่นวายคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ออกมาจากบ้าน นะผ่านมาในท้องถนนมีแต่อารมณ์ต่างๆที่วุ่นวายท่านั้นเลยมาถึงจะมานั่งสมาธิทันทีนี่ใจไม่พร้อมใช่ไมเดี๋ยวมันก็ตามเข้าไปอารมณ์ที่มาจากบ้านมาจากท้องถนนก็ตามเข้าไปรบกวนก็มีขั้นตอนว่ามาเตรียมจิตซะก่อนให้พร้อมเพื่อจะได้น้อมมาสุขภาพสงบนะก็อาจจะมีการจัดพิธี เช่นว่าสวดมนต์อย่นีพอสวดมนต์ก็เป็นการคล้ายๆเตรียมจิตน้อมเข้ามาสู่ความสงบให้พร้อมที่จะนั่งสมาธิหรืออย่างจะมานั่งสมาธิการเข้าปฏิบัติเป็นระยะยาวใจยังพะวะผวงอยู่เอ๊เราจะวันอยู่ตั้งห้าวันสิบวันหรือเดือนหนึ่งนี่จะเอาอยัางไงใจชชกคิดวงโน่นกลางบนนี่ ท่านก็มีพิธีกรรมเช่นพิธีมอบกายถวายชีวิตแก่พระอาจารย์นี่เป็นอุบายใช่ไหมในบางสำนักหรือหลายสำนักหรือประเพณีปฏิบัติทางคัมภีร์ก็บอกในรุ่นหลังๆนะรุ่นหลังๆก็จะมีวิธีว่าเอาจะมาเข้ากรรมฐานมามอบตัวหรือมอบกายถวายกายชีวิตแก่อาจารย์กล่าวคําเลยบอกว่าในการปฏิบัติเนี่ยข้าพเจ้ายกชีวิตให้เลยนะ หมายความว่าจะไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยไอย้เรื่องกังวลอะไรต่างๆที่ท่านเรียกว่าปริพ o o t ะไม่เอามาคิดแล้วตัดเต็มที่เลยตอนนี้ขนาดชีวิตไี่มอบให้เลยมันทําให้เตรียมจิตนี่มุ่งมั่นเต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกจริงจังทีนี้พอเตรียมจิตอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเริ่มด้วยความที่มีความมุ่งมั่นจิตดิ่งไปแล้วมันก็พร้อมที่จะเข้าสมาธิ นี่ถ้าพอปล่อยให้จิตไปกังวลอยู่อย่างนั้นนะภาวะภวัอองหงหน้าหงหลังอยู่เลยไม่ได้ผลเลยนั้นพิธีกรรมตอนนี้ก็เป็นตัวมาเท่ากับตัดตอนเอาไอ้ส่วนที่จะรบกวนจากข้างนอกนี่ทิ้งไปเลยนีแล้วก็ทําให้พร้อมที่จะเข้ามาสู่สิ่งศักิ์ทธิ์กัเพราะฉะนั้นพิธีกรรมก็เป็นตัวส่วนเบื้องต้นนีเป็นส่วนบุพบพรที่จะนําเข้าสู่สิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนี อแต่รวมแล้วมันก็คือเป็นรูปแบบที่มาห่อหุ้มไว้ซึ่งเนื้อหาสาระแล้วก็สื่อสาระมันได้ทั้งในแง่ห่อหุ้มแล้วก็ทั้งสื่อห่อหุ้มก็คือรักษาตัวหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหาสาระนา ม, มารมนั้นถ้าไม่มีรูปแบบช่วยจะรักษาไว้ได้ยาก สําหรับคนหมู่ใหญ่สําหรับสังคมมันก็ต้องอาศัยรูปแบบมาช่วยเหมือนอย่างการเนื้อมะม่วงหรือแม้แต่เนื้อกล้วยเนื้อผลไม้จะอยู่ได้ได้ีดยังไงต้องอาศัยเปลือกถ้าไม่มีเปลือกก็อยู่ได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเปลือกไม่มีเนื้อหมดความหมายเลยเหมือนกับพิธีกรรมที่ว่า ถ้ามันไม่รักษาไม่ห่อหุ้มเอาเนื้อหาสารไว้ไม่มีเนื้อหาอยู่ข้างในมันก็ไม่มีความหมายกลายเป็นสิ่งรกรุงรังเป็นขยะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนื้อหาก็อาศัยเปลือกช่วยรักษาไว้ที่ศาสนาคำสอนหลักการต่างๆมาถึงเราได้ในปัจจุบันนี้อาศัยรูปแบบแทบท่านั้นใช่บ่ารูปแบบตั้งแต่การมีวัดว า, ารามีมพระภิกษุสงฆ์ อะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มีกิจกรรมของชุมชนที่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเหล่านี้รักษาตัวศาสนาไว้ได้อย่างที่บอกแล้วว่าในเมื่อรูปแบบยังอยู่แม้ว่าเนื้อหาสาระจะมองท้าไม่เห็นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์เราก็อย่าเพิ่งทิ้งไอ้ตัวรูปแบบหรือเปลือกนี่เสียเพราะเท่ากับว่ามันเป็นจุดเริ่มให้เราได้ถ้าเราไม่มีเปลือกแม้แต่เปลือกสิ เราจะแย่ใช่ไหมไม่รู้จะเริ่มที่ไหนเพราะนี้เรารู้จุดเริ่มแล้วเรารู้แล้วว่าโอ้นี่เนื้อมันจะไม่มีแล้วนะหรือแต่เปลือกต้องรีบเอาเนื้อกลับมาใส่ใช่ไหมนี่อันนี้พุทธศาสนาปัจจบนนุบันนถึงเวลาที่ต้องว่าพยายามเอาเนื้อกลับมามแต่ว่าอย่าไปทิ้งประโยชน์ของเปลือกมันทีนี้ก็หนึ่งก็คือห่อหุ้มรักษาสองสื่อใช่ไหมสื่อก็คือว่าทําให้ เนื้อหานี่สาระนี่ปรากฏแล้วก็ออกมาสู่ประชาชนคนหมู่มากอย่างที่ว่าไปแล้วใช่เวลามีพิธีกรรมก็เป็นช่องทางให้เราได้สื่อไปถึงเนื้อหาสาระหลักธรรมคำสอนอีกทีหนึ่งก็ได้ทั้งเป็นสื่อแล้วเป็นสื่อที่ได้ผลดีแล้วแต่เราจะจัดอย่างไรใช่เพราะลาพังจะเอาเนื้อหาสารอย่างเดียวไม่ค่อยเข้าใจและไม่สนใจ โดยเฉพาะสำหรับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นเราต้องคานึงถึงคนหมู่มากอย่าไปคิดเอาแค่คนสองคนสามคนเพราะปัญญาชนเราไปบางทีเราไปมองแต่ปัญญาชนหรือคนที่เขาสนใจอยู่แล้ว เ, เอาแค่นั้นพอที่ไหนละ่ะศาสนามีเพื่อคนส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่มีแค่เพื่อคนแค่นั้นพราะนั้นเราต้องหาทางแต่ขอให้พระผู้ทําหน้าที่ในเข้าใจว่าจุดวุ่งหมายอยู่ที่ไหนอย่ามาติดอยู่กับแค่ตัวเปลือก หรือสิ่งห่อหุ้มหรือพฤติการหรือรูปแบบที่เป็นสื่อแล้วร็ะแล้วก็เลยไม่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ yeah. นีก็เปรียบเทียบนอกจากว่าเหมือนการเปลือกผลไม้แล้วก็ยกตัวอย่างอื่นก็เหมือนอย่างกาแก้วน้ำนี่อุปมาบา่อยๆแก้วน้ำมีประโยชน์อย่างไรแก้วก็มีประโยชน์ที่บรรจุน้ำใช่ม แก้วมีประโยชน์เพราะว่ามีน้ำเนีสิ่งที่เราต้องการคือน้ำเราไม่ต้องต้องการแก้วแต่ถ้าเราไม่มีแก้วเราจะใช้ประโยชน์จากน้ำได้ยากใช่ไหมเราจะกินน้ำทีเราต้องเดินไปที่แหล่งน้ำเช่นว่าไปบ่อวิสะใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแก้วก็ไม่มีเครื่องตักเราต้องวักน้ำหรือเอาปากไปก้มไป อะไรเอาหน้าเอาปากดูดน้ําหรืออะไรทํานองนี้มันก็แสนจะยากเย็นนะทีนี้มีแก้วก็เริ่มแต่แต่การที่จะตักน้ํารับประทานหรือฉันก็ง่ายเสร็จแล้วยังสามารถนำเอามาไว้ในที่ต้องการจะดื่มน้ําอะไรก็ใช้ได้เหมือนนั้นแล้วต้องการแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็จัดสิรูปแบบให้มันเหมาะกับประโยชน์ที่ต้องการใช่ไหมแต่เนื้อหาก็คือน้ําแต่เราจะต้องการน้ําในรูปแบบลักษณะต่างกาันไม่เหมือนกัน นะในกิจกรรมอย่างนี้เราอาจจะต้องการแก้วรูปร่างอย่างนี้นะนะแก้วปากบานแก้วก้นตื้นแก้วปากเล็กนะแก้วสูงนะหรือว่าแก้วใหญ่แก้วเล็กอะไรเนี้ยรูปแบบนี้เราจัดให้สนองความต้องการเฉพาะกรณีได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาก็คือน้ําแต่ถ้าเราไม่เลืรูปแบบอันนี้แล้วเนี้ยจะใช้ประโยชน์จากน้ําได้ยากไม่ได้ตามต้องการ เพราะฉะนั้นรูปแบบก็มีประโยชน์มากน้ำเป็นสาระไม่มีแก้วก็ใช้ประโยชน์ยากแต่ถ้าแก้วไม่มีน้ำก็หมดความหมายเลยใช่ไหมอ้าวไปอ่านว่ารูปแบบคือพิธีกรรมนี้ก็เป็นตัวทั้งรักษาห่อหุ้มเนื้อหาสาระไว้และเป็นสื่อที่จะทำให้เนื้อหาสาระปรากฏผลเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปนอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของพิธีกรรม เยอะนะต้องค่อยๆนึกมันมีมากมายคืออยู่ที่ว่าจับหลักให้ได้นะแต่นี้ความจริงมีมากกว่านี้เอาว่าตอนนี้เอาคานี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระกับรูปแบบ น, ะนี้กิจกรรมในพุทธศาสนานี้เดิมเนี่ย ก็ต้องการสื่อสาระพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมีพิธีมากความจริงก็มีแล้วลักษณะการประชุมการพบปะกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ต้องมีพิธีแต่ว่าพิธีนั้นบอกแล้วว่ามันเป็นเพียงส่วนที่จะนําไปสู่เนื้อหาสาระใช่ไหมแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอนเนี่ยไอรูปแบบที่จะต้องใช้มันน้อยใช่ไหมเหมือนพระที่มีความสามารถก็ไม่จําเป็นต้องเรียกร้อง รูปแบบมาแต่นี้สาหรับพระทั่วๆไปล่ะไม่ได้มีความสามารถมากอย่างนั้นและยิ่งพะศาสนานี่ดำรงมายั่งยืนยินานเป็นเรื่องคนหมู่ใหญนะ่การที่จะต้องเอารูปแบบมารักษาเนื้อหาสาระก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมของชุมชนของสังคมแล้วก็พระส่วนใหญ่ซึ่งมีความสามารถเฉลี่ยก็ต้องการรูปแบบมาช่วยมากขึ้น ยิ่งมีความสามารถน้อยก็รูปแบบกิจกรรมก็ยิ่งต้องสําคัญมากขึ้นใช่มเพราะนั้นต่อมานานๆเข้าพิธีกรรมก็พอกผูนขึ้นมายิ่งพุทธศาสนาไปสัมพันธ์กับาศาสนาอื่นๆด้วยนะบางทีก็กลายเป็นว่าวิธีการที่จะไปสื่อกับคนที่เขานับถือาศาสนาอื่นอยู่ก่อนใช่ไหมทาไงจะให้เขามาสนใจเขานับถือผีสารเทวดาเขานับถือเทพเจ้า เขามีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนถ้าพระไม่มีเขาไม่สนใจแต่พระก็มีพิธีกรรมบางอย่างขึ้นมาจูงใจเขาว่าเอ อ, เ อ, อลองเราไปดูท่านสนิพอพิธีกรรมเนี่ยทึ่งพระก็มีขึ้นมาบ้างพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยพระก็สามารถค่อยๆแนะนําชักจูงชี้แจงให้เขาเข้าใจความหมายใหม่ตามแบบของพุทธศาสนาถูกไหมฮะ นั้นอาจจะใช้สิ่งเดียวกันกับศาสนาอื่นที่เขามีเพราะนั้นพิธีกรรมหลายอย่างของเราเนี่ยมาจากศาสนาอื่นนะหรือบางอย่างคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราตัดส่วนที่ไม่เข้ากับหลักการของพุทธศาสนาทิ้งโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนการทําลายชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้พุทธศาสนาจะเอาออกหมด ส่วนที่พอรับได้ไม่เสียหายเลยก็เอาเข้ามาไปไปมามาเลยเอ๊ะมีน้ำมนต์มีสายศีลมีอะไระอะไรเข้ามาทีนี้ถ้าพระไม่รักษาหลักการให้ดีแทนที่จะเป็นสื่อสารล่างตัวเองเลยกลายเป็นตัวเองแหละหลงไปตามกลายเป็นตัวเองไปยึดถือตามศาสนาอื่นไปเลยนี่มันเลยมีทั้งขุนทั้งโทษนะอันเนี้ยพอพระเสียหลักมายืนหลักของตัวเองไม่เข้าใจหลักการพุทธศาสนาพระ ถูกลูบแบบเนี่ดึงออกไปไปเข้าไปจับเอาเนื้อหาสาระข้างนอกมาใส่ของตัวเองเลยใช่ไหมลูปแบบนี้อยู่จริงแต่ว่าเนื้อมันไม่ใช่เนื้อหาของเราแล้วเป็นเนื้อหาอื่นเข้ามานั่นก็ในแง่นี้ก็มีทั้งกุ่แลโทษทีนี้กิจกรรมส่วนรวมที่ว่าเป็นพิธีกรรมซึ่งมีความหมายไม่เกี่ยวกับเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์ตามแบบศาสนาโบราณไม่ได้สื่ออํานาจเร้นลับอะไร แล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงศักวัธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ก็คืออย่างสังฆกรรมใช่ไหมสังฆกรรมก็คือกิจกรรมของส่วนรวมที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ให้ความสําคัญแก่สงฆ์ก็คือกิจกรรมของสังคมถือส่วนรวมเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการกระทําที่เป็นกิจกรรมร่วมกันว่าภิกษุที่อยู่ในวัดเดียวกันอยู่ในเขตหนึ่งเนี่ยเวลามีเรื่องราวส่วนรวมต้องมาประชุมพร้อมกันพิจารณาวินิจฉัยเราจะมีสังฆกรรมมากมาย สังฆกรรมก็คืองานส่วนรวมที่ต้องทำร่วมกันมาพิจารณามาประชุมกันวินิจฉัยว่าจะเอาอยัางไงเช่นอย่างเรื่องว่ามีผู้จะมาสมัครเข้ามาเป็นภิกษนะุก็ต้องให้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดนั้นมาประชุมกันแล้วมาพิจารณานะมาดูคุณสมบัติของผู้เข้าบวชเป็นต้นว่าจะยอมรับหรือไม่ใช่ไหมก็นี่เรียกว่าสังฆกรรมที่ สังคกรรมที่มีชื่อว่าอุปสมบทนะซึ่งมีความหมายชัดเจนเราเรียกว่าสังคกรรมแต่ต่อมาตัวสังคกรรมเองหรือแต่รูปแบบนะโดยที่บางทีผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมนั้นไม่รู้ความหมายด้วยว่าที่มาประชุมเนี่ยทาอะไรกันบ้างว่าก็ไปตามรูปแบบที่รักษาไวใช่ไหมเอา้ามาประชุมกันนะ มานั่งอันดับองค์นึกกรสวดไปองค์นั้นก็ว่ายอย่างนี้นี่ได้ยินแต่คำสวดนึกว่าเสกให้คนเป็นพระเลยใช่ไหมเลยไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ว่าเออนี่เป็นเรื่องของที่ประชุมพระจะเอาไงจะรับคนนี้เข้ามาไหมมีมติยังไงใช่ไหมไม่รู้เรื่องบางทีพระไปนั่งไม่เข้าใจก็นี่แหละสังฆกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มันมีความหมายแท้จริงที่เป็นสื่อสาระ แต่ว่ามันเลือนความหมายไปเป็นความหมายแบบศาสนาโบราณเป็นพิธีกรรมแบบว่าคล้ายๆเป็นเรื่องคลังศักดิ์สิทธิ์น่ยสื่ออานาจเล่นลับเน่ยหรือไม่งั้นก็กลายเป็นศัตรธรรมอย่างที่ว่าเพราะนั้นสังฆกรรมก็เลยกลายไปายมาๆเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเพียงพิธีกรรมในความหมายแบบโบราณหรือแบบที่คนสมัยใหม่เข้าใจว่าศัตรธรรมไปตาม ปรำประราคือตามตามกันมาใช่ตามประเพณีเป็นเรื่องของประเพณีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในเมื่อรูปแบบอันนี้ที่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมมันอยู่ซึ่งทีแท้ก็คือมันก็เป็นสังคกรรมนั่นแหละมันอยู่เนื้อหาสาระมันก็พลอยอาศัยอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าคนที่เข้าใจก็รู้แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะฟื้นสาระขึ้นมาได้ถ้าไม้แต่รูปแบบไม่มีแล้วทีนี้ฟื้นยากเนี่ย นี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องของพระศาสนาแม้แต่ในแง่ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการความเสื่อมความเจริญได้ด้วยแต่มาถึงบัดนี้ก็ก็เข้าสู่สิที่พูดข้างต้นก็คือว่าคนจนวนมากเนี่ยจะมองเรื่องพิธีกรรมไปในความหมายแบบที่หนึ่งก็คือแบบศาสนาโบราณที่ว่าเป็นเรื่องของ ความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์การสื่ออํานาจเรีนรับหรือมันงานก็สองก็คือการทําตามประเพณีสืบกันมาสักต่วัดธรรมก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องมาทําความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างน้อยก็มาเริ่มที่จุดที่ว่าอ๋อพิธีกรรมนี้ก็คือรูปแบบซึ่งมีความหมายมีประโยชน์ต่อเมื่อมันบรรจุไว้ซึ่งเนื้อหาสาระแล้วนํามาใช้สื่อเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระนั้นมีอย่างไรก็มีมากมาย เริ่มตั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ฝึกศีลโดยถือเป็นวินัยเบื้องต้นอย่างที่ว่าแล้วก็เลยมีความหมายเชิงวัฒ น, นธรรมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆแล้วก็เลยมีประโยชน์ในแง่ของการนำคนรุ่นใหม่เข้าสู่ชุมชนหรือสังคมนั้นคนที่รู้จักใช้พกพิธีกรรมเป็นเนี่ยนก็ได้ประโยชน์ คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีพิธีที่เขาเรียกว่าโซเชียลไอเซชันใช่การนําเข้าสู่สังคมและอันหนึ่งที่สาคัญก็สังคมของตัวเองซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่ว่านี่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าสู่สังคมของรุ่นพ่อรุ่นแม่เข้าสู่วัฒนธรรมได้อย่างไรพิธีกรรมนี้ก็เป็นตัวนาเข้ามาใช่ก็ใช้ประโยชน์อันนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาก็ เป็นประโยชน์ทั่วๆไปใช่ว่าเป็นเครื่องนัดพบเป็นเครื่องนัดหมายเป็นเครื่องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพื่อเข้าสู่สิ่งที่จะปฏิบัติหรือเนื้อหาสาระที่สูงขึ้นไปนะเป็นการที่ว่าให้รู้ตัวว่าจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่จะทำต่อไปนะตลอดจนกระทั่งว่าเป็นโอกาสที่พระสงฆ์ได้พบปะญาติโยมและจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท น, ะนาเอาพิธีกรรมหรือรูปแบบนี้มาสื่อสาระ คือเนื้อหาธรรมะให้ธรรมะแก่ประชาชนแล้วก็เป็นวิธีการสําหรับคนส่วนใหญ่คนหมู่มากคือประชาชนว่าจะได้ประโยชน์จากศาสนาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพระนี่มีความเข้าใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการที่อย่างน้อยก็ทําให้น้อมจิตใจของคนเข้ามาสู่ความดีงามความศักดิ์ซึ่ง ในความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนีความมีปิติความประทับใจอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งควรจะเป็นจุดหมายอย่างหนึ่งในการจัดพิธีกรรมว่าเมื่อเราจะจัดพิธีกรรมเราจะต้องคำนึงว่าทําไงจะให้ได้ผลในทางจิตใจแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมไม่ใช่มุ่งแต่เพียงความใหญ่โตหรือความสิ้นเปลืองอย่างที่ว่ามาก็คิดว่าเราพูดเรื่องพิธีกรรมวันนี้ก็พอสมควรแหละนะฮะพอจะเห็นประโยชน์ของพิธีกรรมไหมฮะ ก็อยู่ที่พระด้วยนะฮะพระก็ต้องเป็นผู้นําที่ว่าจะต้องเข้าใจแล้วก็นํามาใช้เป็นประโยชน์มิฉะนั้นแล้วก็จะเหลืออย่างที่ว่าที่ไรความหมายไม่มีเนื้อหาสาระก็ดีไม่ดีเขาก็จะเห็นเป็นขยะไปแล้วเขาก็อยากจะกวาดทิ้งซะด้วยใช่ไหมคนที่ไม่เข้าใจก็อยู่ที่เราเองจะต้องสร้างความเข้าใจเริ่มจากตัวเองแล้วปฏิบัติให้เกิดผล ตามความมุ่งหมายที่แท้จริงมีอะไรสงสัยไหมครับรู้ว่าจริงแล้วคนไทยในยช่วงปีที่มีพุทธศาสนาทำามผู้ใหญ่ในที่ไหนถึงการผู้ใหญ่ของการศึกษาเนี่ยถึงไม่บรรจุพุทธศาสนาเข้าไปในการเรียนด้วย ก็เหตุปัจจัยก็มีหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษานี้เองท่านไม่ค่อยเห็นคุณค่าเพราะท่านไม่ค่อยเข้าใจหลักพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาคืออะไรหลายคนก็จะมองพุทธศาสนาเหมือนาศาสนาต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์สนองความต้องการปลอบประโลมใจไปไม่มีเหตุมีผลอะไรเนี้ยเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดเข้าไปทำไมใช่ไหม อันนี้อันหนึ่งสองก็คือสภาพของสังคมเองสังคมนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีแนวความคิดความเห็นมีค่านิยมที่มุ่งความเจริญทางวัตถุทางเศรษฐกิจกระแสวัฒนธรรมอริยธรร ม, รรรมตะวันตกเข้ามาครอบงําใช่ไหมดังนั้นการที่จะมาเห็นคุณค่าในด้านนี้ก็น้อยสังคมเองก็จะไม่เป็นตัวผลักดันดังนั้นสังคมส่วนใหญ่เนี่ย อย่างพ่อแม่อยู่กับบ้านบางทีก็ไม่ได้เอาจริงเอาจงอาจงในการที่ว่าเอา๊ะทางกระทรวงทางโรงเรียนให้ความรู้ลูกของตัวเองในเรื่องทางหลักธรรมคาสอนให้เกิดความเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมก็จะไปสนใจแต่เพียงว่าเอาเอวิชาที่ลูกจะได้สอบได้ชั้นจะไปเข้าหมหาวิทยาลัยได้จะได้เป็นการได้งานได้เงินดีเนี่ยมีหรือยังใช่ไหมแล้วก็ทํำไมมีวิชาอย่างนี้ไม่ได้ผลดีวิชาอย่างนี้สอนไม่ได้ผล ก็จะเรียกร้องอาจจะอะไรไปหาประหลัดกระทรวงหรือจะไปเรียกร้องหรือจะอะไรก็ตามนะขึ้นมาเอาจริงออจากจังแต่เรื่องวิชาทางเนื้อหาทางธรรมะคุณค่าทางจิตใจอะไรต่างๆพ่อแม่เองก็ไม่เอาใจใส่ใช่ไหมหรือบางทีเอาใจใส่บ้างบางคนก็เออไม่เห็นมีเลยแล้วก็บ่นกันไปเท่านั้นแต่ไม่มีอาจชิพจังไม่เหมือนของฝรั่งนะถ้าไม่มีเราเอาตายเลยใช่ไหม ถึงตัวเลยว่ากันเอาไงทำไมไม่จัดใช่ไหมแต่ใทิพฝรั่งเองมันเริ่มมาก่อนนี่ฝรั่งเขาไม่เห็นคุณค่าฝรั่งเองก็ตีจากาศาสนามานานแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีไอแนวคิดที่ว่าแยกเชิดกเบสเตศศาสนากราัฐออกจากการพระภูมิหลังของสังคมของเขานี่าศาสนาเป็นตัวที่ทำให้คนแตกแยกกัน เข้ากันไม่ได้เพราะแม่แต่นับถือแค่ศาสน า, าเดียวกันแต่ต่างนิกายก็ทะเลาะกันจะตายคือ น, นไปสอนในโรงเรียนก็แตกแยกกันใหญ่ในพุทธศาสนาเราไม่มีเรื่องนี้แต่ว่าเพราะนักการศึกษาของเราจำนวนไม่น้อยท่านเนี่ยไปศึกษาจากตอนตกก็ไม่เข้าใจก็ น, นึกว่าโอ้ตะวันตกเขาแยกเราก็ต้องแยกด้วยโดยไม่รู้เหตุรู้ผลแท้จริงใช่ไหมนั่นปมปัญหามันก็มาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่า อันที่หนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้เขาเห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวนี้ก็เป็นสําคัญที่จะต้องเอาใจใส่ในการที่จะให้ลูกเนี่ยได้เจริญเติบโตพัฒนาอย่างถูกต้องได้รับการศึกษาที่มันเป็นความหมายที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงว่า เพื่อไปสนองค่านิยมของสังคมบริโภคในการที่จะไปแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ใช่ไหมและเสร็จแล้วพ่อแม่ครอบครัวก็เป็นส่วนร่วมในการสร้างปัญหาหแก่สังคมแล้วก็มาโอดครวญว่าทําไมสังคมเป็นอย่างนี้ทําไมสังคมมันเสื่อมทําไมจึงมีแต่ญาติเสพติดทําไมจึงมีความประพฤติเสียหายในทางการมารมทาไมาลูกไม่ได้เอาใจใส่ในการศึกษาอะไรต่างๆไม่รักพ่อแม่อะไรแต่ก็ไม่ดูว่าตัวเองพ่อแม่เนี่ยเป็นเหตุสําคัญนะ ก็ไปหนุนลูกในเรื่องที่ผิดแล้วเสร็จแล้วตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาไปผิดแล้วพอมีผลร้ายเกิดขึ้นมาก็ไปโทษโน่นโทษนี่ไม่เคยโทษตัวเองคะแนนการศึกษาก็มาจากปัจจัยหลายฝ่ายทั้งครอบครัวจากพ่อแม่ทั้งนักการศึกษาผู้รับผิดชอบการศึกษาเองแล้วก็รัฐผู้บริหารประเทศชาติ ผู้บริหารประเทศชาติก็ต้องมีผู้นําที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพียงว่ารู้แค่จะไปแข่งกับประเทศอื่นได้ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ท่านนี้มันไม่พอใช่ไหมเพราะว่าไปแข่งกันอย่างนั้นสังคมที่จเจริญในยุคโลกาภิวัฒน์ก็คือสังคมที่กําลังมีปัญหาอย่างเต็มที่ตัวเองอยากจะไปเจริญอย่างเขาทันเขาในแง่ความเจริญแบบนั้นบ้างอยากจะให้เก่งกับเขาในแง่นั้นอะไรต่างๆ ซึ่งแม้แต่จะไปแข่งกับเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดยังไงให้มันแข่งเขาได้อยู่แหละใช่ไนั้นก็แค่นั้นก็ไม่ได้แต่นี่มันต้องเหนือการที่จะแข่งขันด้วยซ้ำที่จะต้องทำให้มันดีคือแก้ปัญหาของโลกปัจจุบันที่ประเทศที่จเจริญแล้วก็ประสบอยู่ได้ด้วยทาไงเราจะพัฒนาประเทศชาติ โดยการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องที่จะให้ไม่ต้องไปประสบปัญหาอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเขาประสบอยู่อเมริกาประสบปัญหาหนักๆหลายเรื่องแต่เวลานี้ไทยเรากลับจะหนักกว่าด้วยใช่ไหมเพราะว่าอเมริกานั้นเขามีข้อเสียเยอะก็จริงแต่พื้นฐานบางอย่างเขาแน่นดีพอสมควรของเราในพื้นฐานในแง่นั้นเราก็แย่อยู่แล้วแล้วยังมา เอาไอ้ค่านิยมไม่ดีในระยะหลังของเขานี่มาเติมให้กับตัวเองโดยรู้ไม่เท่าทันอีกก็เลยยิ่งซ้ำเติมตัวเองหนักเข้าไปอาจจะหนักกว่าประเทศอเมริกาอีกนะประเทศอเมริกาเองก็จะเอาตัวไม่รอดก็อย่างที่ในนิวกริชพูดผมเคยยกมาให้ฟังหลายครั้งแล้วคืออเมริกาเดนี้พวกผู้รับผิดชอบผู้นา พวกนักคิดปัญญาชนเนี่ยก็มีความห่วงกังวลต่อสังคมของตัวเองมากว่ามันเสื่อมโทรมจะเอาไว้ไม่อยู่สภาพความเสื่อมนี้มันมากมายเหลือกเกินทีนี้ว่ามันบรรยายกันต้องใช้เวลายาวพอดีในนิวกิงกิสซึ่งเป็นประธานสภาอเมริกันเนี่ยนะเขาเป็นเฮาส์สปิเกอร์เนี่ยเขาก็พูดบ่อยแล้วเขาแต่งหนังสือออกมานี้ที่เขาไปพูดนี่ก็คนอื่นก็ไปอ้างในหนังสือของคนอื่น แต่ของเขาเองเดี๋ยวนี้เขาก็พิมพ์มามาแล้วชื่อ To Renew a เมริก a ข้อความตอนหนึ่งเนี่ยพูดแค่ไม่กี่ประโยคก็ ส, ค sued. สื่อสภาพสังคมอเมร itor, ิกันได้เขาบอกว่าไม่มีอารยธรรมใดจะอยู่รอดไปได้นานเมื่อเด็กหญิงอายุสิบสองปีก็มีลูกแล้วนี่จะเข้า คำโบราณแล้วนะฮะนะฮะเด็กอายุ12มีลูกนี่มันก็ใกล้ที่โบราณพูดมาตอนเรื่องสังคมเสื่อมแล้วก็เด็กอายุ15ปีฆ่ากันตายนะเด็กอายุ17ดปีตายในโรคเอเด็กอายุ18ปีเรียนจบหายสกูลอ่านใบประกาศนียบัตรที่ตนได้รับไม่ออก นี่คือสภาพสังคมอเมริกันที่ในนิวกริงกิชเอามาพูดคือสื่อแค่นี้มันก็อธิบายในตัวว่าสังคมอเมริกันขนาดนี้เป็นยังไงใช่ไหมสังคมที่คนไทยมาเห่อเหิมอยากจะเป็นขนาดนี้ก็เสื่อมขนาดไหนมีเรื่องราวที่จะเล่าเยอะแยะแต่ว่าในบางแง่ขงเขาก็ไม่ได้แย่อย่างเราเราเห่อเหิมในเรื่องของสิ่งบันเทิงอะไรต่างๆที่มาจากอเมริกา แต่คนอเมริกาเขาเอาเนื้อหาสาระเขาใช้สื่อมวลชนในทางเสริมความรู้มากกว่าเราแต่ไอสิ่งเหล่านี้เขาผลิตมาในเรื่องของระบบคานแข่งขันเพื่อผลประโยชน์เขาหาผู้บริโภคเขาหาลูก ค, คา้าเขาก็ส่งมาขายไอเรากลับไปชื่นชมไปมองภาพอเมริกาจากไอภาพผลิตภัณฑ์สิ่งที่เขาส่งมาขายเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์บันเทิงใช่ไมวาดภาพสังคมเมริกรันสังคมเมริกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาก ไม่เป็นเท่าเราคนที่นิวยอร์กผมไปคนที่นิวยอร์กเล่าคนไทยนะฮะเขาบอกว่าคนไทยไปจากเมืองไทยไปหาเขาไปพักที่นิวยอร์กบอกให้เขาช่วยพาไปหาแหล่งบันเทิงยามราตรีเขาบอกนี่ไม่ใช่เมืองไทยนี่นิวยอร์กมันไม่มีอย่างนั้นเนอคนนิวยอร์กเขาไม่ได้อยู่อย่างเมืองไทยเนี่ยนั้นที่จะเที่ยวหาแหล่งราตรี ในคนไทยไปอยากจะไปเที่ยวหาแหล่งราตรีนึกก็ น, นิวยอร์กจะแมวะเต็ ม, มไปด้วยไอ้สถานมั่วแบบของไทยเขาไม่มีอย่างนี้นะเขาบอกเขาไม่ไม่เดยพาไปไหนไม่มีอย่างเมืองไทยารหรืออย่างพ่อแม่ที่โน่นเขามีลูกเรียนมหาวิทยายลยนะัยอะไรนี่เนีะญาติไปจากเมืองไทยนะีญาติไปเมืองไทยหาซื้อของให้ลูกซื้อกระเป๋ายี่ห้อดีๆราคาแพงเป็นพันเป็นหมื่น ลูกเขาอยู่ในโรงเรียนวิทยาลัยอเมริกันเขาไม่ได้ใช้ของพันนี้ก็ใช้ของง่ายๆเอาแต่ประโยชน์ใช่ไหมเขาไปเรียนไปค้นคว้าเข้าห้องสมุดแต่เด็กไทยโอ้โหนึกว่าอเมริกันนี่วุ่นวายกับเรื่องของฟุ่มเฟอือยไม่มีเด็กอเมริกันเขาไม่ได้ติดของฟุ่มเฟอือยนะแต่พ่อแม่เมืองไทยไปเนี่ยไปสนองความต้องการเของลูกอย่างนั้นไปเที่ยวหาซื้อของแล้วคนไทยไปอเมริกันเนี่ยนะ น้อยนักที่จะไปหาสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระไปหาแสวงหาปัญญาไปดูว่าประเทศอเมริกามีปัญหาอย่างไรนะมีสิ่งที่จะทําให้เกิดความเจริญอย่างไรนะใช่ไหมไปหาความรู้หาสติปัญญาน้อยครับนู่นไปชอปปิง้งหาซื้อของบริโภคฟุ่มเฟือยกลายเป็นว่าเป็นเหยื่อเขาถูกไหมเพราะนั้นเรายิ่งแย่กว่าเขาอีกแล้วภาพเหล่าเนี้ย มาอยู่ในสายตาหรือในความคิดในจิตใจในความเชื่อของประชาชนและโดยเฉพาะเยาวชนที่มองภาพอเมริกาไม่ถูกต้องนะด้านหนึ่งอเมริกาก็เสื่อมย่อบแยบจะแย่อยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีหลักยังมีฐานบางอย่างที่แข็งพอสมควรแต่ของเราสิมันจะฐานเองก็ไม่มีแล้วยังแถมไปเอาไอ้ค่านิยมที่ผิดผิดมาอีกลวมองภาพอเมริกาจากสิ่งบันเทิง จากผลิตภัณฑ์ที่ก็ส่งมาขายเพื่อหาลูกค้าเพื่อหาผลประโยชน์เข้าประเทศเขานั้นจึงอยู่ในภาวะที่ต้องเรียกว่าเป็นเหยื่อใช่ไหมอ้าวนี่มนเกี่ยวกับสื่อนะครับภาพยนตร์สินค้าอะไรพวกนี้คือไม่มีมาตรการห right. oh, ้ามตามหรือว่าปอก็ก็มีความพยายามอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าทําจริงจัแค่ไหนและความตั้งใจในการกระทํานี้จุดมุ่งมาอยู่ที่นี่หรือเปล่า เสียงประชาชนที่พูดเวลานี้ก็คือว่าติเตียนกันว่านักการเมืองมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าถ้าอันไหนเป็นทางมาเขาผลประโยชน์แกก็จะเอาถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่มีทางแก้ปัญหาใช่ไหมนักการเมืองนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายแน่วแน ว, ว่าอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติสังคมนะในทางสร้างสารพร้อมทั้งแก้ปัญหาจะต้องเอาเต็มที่ใช่ไหมจะต้องศึกษาเลยอะไรบ้างที่เป็นปัญหากับประเทศไยอะไรเข้ามาแล้วจะทําให้คนของเราเสีย อะไรที่จะสร้างสารทำให้ดีงามอะไรที่จะส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาของประชาชนพอแกตั้งเป้าหมายอย่างนี้แกก็คิดแกก็ศึกษาแกก็มองเห็นหมดว่าจะจัดวางแผนยังไงในการเช่นว่าเรื่องการรับสินค้าเข้าเป็นต้นใช่มมันก็ต้องมาจากจิตใจที่เห็นเป้าหมายก่อนแล้วก็วางแผนโดยสอดคล้องใช่ถ้ามันไม่มีอันนี้อยู่แล้วมันไม่มีจุดเริ่มความคิดใช่ไมมันจะไปทาอะไรนะ เปนประเด็นตรนี้เนี่ยทางค้าคงจะยากยาก<อ>แม้แต่ถ้าเราเห็นปน<อ>ัญหาคุณน้องจะมีสภ า, าที่ถี<อ>ในการแก้ไขแต่เมื่อกระแสร่วมทุกวันนี้มันเป็นกระแสทีเ<อ>่เรียกว่า globalization <อ>ประเทศมหาอำนาจมันมีอำนาจในการต่อรองสูงมากในการที่จะมีให้ประเทศค<อ>้อาอย่างประเทศไทยจําเป็นต้องเปิดหรือว่าจะต้องนําเข้าสินค้าโดยมิฉะนั้นจะมการปฏิบัติการตอบโต้ยกไปหลังแอดสามสิบหนึ่ง ครับซึ่งผมมองว่าประเด็นตรงนี้บางครั้งมันถึงแม้เราจะเข้มแข็งแม้ว่าจะมีผู้นําที่ดีแต่ในในกระแส globalization เปนอย่างนั้นน่ยปัญหามันก็คงจะลุกลามแล้วก็ขยายไปในนั้ก็อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆกัเรื่องบุหรีไงตอนนั้นก็รแทบแย่คือว่าเราก็จะไม่รับบุหรี่ใช่ไหมเสร็จแล้วอเมริกันก็บังคับเป็นเงื่อนไขนะถ้าแกไม่ยอมรับบุหรีฉันแล้วก็ฉันก็ การสินค้าของคุณล่ะทีนี้ไทยเราก็แย่สิใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่พักหนึ่งเหมือนกันเรื่องอื่นก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องของนี่แหละที่ว่าเหตุปัจจัยมันหลายด้านแต่ว่ามันต้องเริ่มก่อนคือผู้นําต้องทันใช่ไหมผู้นําต้องแข็งเท่าที่ทําได้อนนี้ก็เมื่อมีจุดมุ่งหมายชัดเจนตัวเองมีเจตนาบริสุทธิ์แต่ประเทศชาติมีความหวังดีมีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วนี่ก็เอาสิไอปัจจัยภายนอกที่มันมาคุกคามและมาบีบคั้นเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีความจริงแต่ตัวจะต้องมีปัญญาที่จะเรียกว่าทําให้ดีที่สุดที่จะกันได้ดีที่สุดและจะได้รับประโยชน์จะดีที่สุดแกเอาจากฉันเท่านี้ฉันก็หาทางเอาจะแกให้ได้มากที่สุดเหมือนกันใช่ไหมมันจะมีทางดีขึ้นถูกไหมถ้าผู้บริหารนี่เก่งทันและเจตจานงที่ดีงามต่อสังคมของตัวเองมุ่งมั่นอย่างชัดเจนตอนเรื่องของเวทีระดับโลก อันนั้นต้องยอมรับนะเราแล้เร า, เร า, เรามีความรู้ตระหนักเพื่อที่ว่าจะสู้กับมันอย่างไรทีนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือค่านิยมของประชาชนอันนี้จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความบีบคั้นจากต่างประเทศเอีกถ้าประชาชนเป็นซะเองนะครับจะบีบคั้นผู้บริหารแล้วจะไม่เอาผู้บริหารที่ดีด้วยถูกไหมประชาชนก็จะเอาผู้บริหารที่สนองความต้องการของตนเองที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทม ตอนนั้นก็เป็นผลการร่วมกันของสังคมนี้ความต้องการของประชาชนที่ขาดสติปัญญาแล้วก็ไม่ได้มีความคิดเจตจํานงเพื่อสร้างสารรค์สังคมจากข้องตงอย่างแท้จริงบุคตัวแตละแต่ละคนก็มุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหายากเพราะตัวประชาชนเองนี่แหละจะทำให้ผู้นาผู้บริหารไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อจะทำสิ่งที่ดีประชาชนก็ไม่เอาด้วยนะแล้วแม้แต่ว่าการที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเขาก็จะกันคนที่ดีไม่ให้เข้ามาแล้วเขาก็จะเอาคนที่สนองความต้องการของเขาใช่ไหมนั้นประชาชนนี่เป็นตัวสาคัญเพราะนั้นปัญหาก็อยู่ที่ว่าต้องพัฒนาตัวประชาชนพัฒนาคุณภาพประชาชนเพราะในที่สุดแล้วประชาธิปไตยก็มาจากส่วนร่วมของคนในชาติ ที่เข้ามาร่วมการปกครองใช่ไหมอันนี้ตอนนี้เราพยายามจะให้คนมีส่วนร่วมแต่ว่ามันไม่รู้ว่าได้เป็นส่วนร่วมหรือเปล่าหรือเป็นส่วนร่วมในทางสร้างสรรค์หรือส่วนร่วมในทางทาลายประชาชนจะต้องมองตัวเองจะต้องยอมรับอย่าไปมองว่าคนอื่นก็ติเตียนเราอะไรต่างๆเพราะหลักการของสังคมที่ดีงามจะต้องสารวจพิจารณาตนเองแล้วก็ช่วยกันพัฒนาตนเองขึ้นไปนะ ต้องอยู่ในความไม่ประมาทเสมอที่ร้อนสถาในระดับสังคมนะครับก็ที่เมื่อกี้เราคุยในระดับโลกที่เสนอภระเนคุณตอที่สถาบัเสู่ระดับสังคมไทยมันก็เป็นเรื่องของค่านิยมซึ่งค่านิยมก็ค้องกับประจานประชาชนส่วนมากที่นั่นสิทารก็มีครอบครวนระับที่มีความแนวแน่ไปทำแล้วก็พารุ่งจะเข้าวัดอยู่สม่ำเสมอ ในคาเดียวกันเนี่ยก็จะพารุกเข้าวัดเนี่ยโดยเฉพาะวันเสาร์หรือวับอาในวันซึ่งใช้เวลาที่พาเข้ามาได้แค่สองชั่วโมงถึงชั่วโมงกันมากในสัปดาห์นะครับแต่เยาวชนเนี่ยจะต้องกลับไปสู่กระแสที่เก่าแล้วก็ใช้ชีวิตข้ามกลางสภาพเน่ยอาจจะมีเวลาที่อาจจะนับเนื่องได้เป็นเร้อยหรือว่าสองร้อยชั่วโมงต่อสําดาหไม่ทราบว่าเยาวชนเนจะจะมีทางออกอย่างอื่นไหมครับ ก็หนึ่งกระแสมันท่วมทับเราพูดกันเรื่อยว่าแม้แต่คนที่มีอุดมการณ์ดีออกไปสู่สังคมก็ถูกกลืนเลยอย่างนี้อันนี้มันก็ต้องยอมรับความจรงิงกระแสใหญ่มันพาไปใครทําก็ทวนกระแสนี่ถ้าทวนกระแสก็ยังดีถ้าทําให้เป็นไปต้านกระแสเลยพังเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะทําได้แค่ทวนกระแสอย่าไปต้านกระแสวิธีปฏิบัติทีนี้ทวนกระแสนี่ก็ต้องมีความเข้มแข็งแต่เราอย่าไปลืมว่า ไอ้ก่อนที่ค่านิยมแบบร้ายมันจะมาครอบงามสังคมมันก็เริ่มจากน้อยๆก่อนเหมือนกันนี่ใช่ไหมไอ้ตอนที่มันเริ่มมันก็มาจากน้อยๆแต่ว่ากระแสนในเชิงกามอามิตรเนี่ยมันจะชักจูงล่อเราง่ายกว่าเราต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งแต่มันก็เริ่มจากน้อยก่อนแล้วก็แผ่ขยายไปทีนี้ในทางดีก็เหมือนกันว่าเราจะแก้ปัญหาเราจะไปยอดทองไงมันก็ต้องเริ่มจากน้อยขยายออกไปเหมือนกันใช่ไหม ก็ค่อยๆแผ่ขยายไประสร้างสติปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกความเข้มแข็งแล้ว ก, ก็การที่ว่าได้มีชันทะมีความปรารถนามีความใฝ่ในทางที่ดีงามปลุกกันขึ้นมาค่อยๆขยายไปท่านโอรัสมีอะไรฮะเมื่อกี้เห็นจะพูดอ่าอ่า ครับรู้จักตัวเองแล้วก็เห็นชัดในเป้าหมายวิถีทางที่ดีงามที่ตัวจะเอาเป็นอย่างไรเห็นคุณค่าว่ามันดีแท้เห็นชัดโดยการเปรียบเทียบว่าสภาพที่เราไม่เอาที่เป็นกระแสะใหญ่เนี่ยมันมีความผิดพลาดไม่ถูกต้องอย่างไรแล้วแนวทางที่เราต้องการนี้มันดีกว่าแน่นอนอย่างไรเมื่อเราชัดอันนี้แล้วเราจึงพร้อมที่จะทวนกระแสะได้ เมื่อเราทวนกระแสนั้นไม่ใช่หมายความเราไปต้านกระแสใช่ไหมทวนกระแสนี่กระแสมันไปเข้ามันแต่ว่าเราสามารถขึ้นไปทีนี้พอมีคนทวนกระแสมากขึ้นไอ้กระแสที่ทวนมันชักใหญ่ขึ้นต่อมาไอ้กระแสที่ทวนกลายเป็นกระแสหลักไอ้กระแสเดิมกลายเป็นส่วนเล็กน้อยไปไอ้ฝ่ายน้อยนันกลายเป็นทวนกระแสตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเพราะเป็นฝ่ายน้อยตอนนี้มันก็เลยเป็นฝ่ายทวนกระแสก่อน แต่ว่าอย่างที่ว่าต้องมีความชัดเจนตอนนี้ก็ต้องการหนึ่งปัญญารู้เท่าทันสองความไฝ่ดีในสิ่งที่เห็นคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริงถูกต้องแล้วสมีความเข้มแข็งที่จะดำเนินตามวิถีทางนั้นอย่างน้อยมีอันนี้นจะเสแบบ อ, อ, อ๋ อ, อ, อ, อมียังต้องยังต้องพูดกันอีกอต้องพูดกันอีกเยอะเรื่องนี้ยังมีต่อไปวัตาสติทธจีนอยู่บท น, นะฮะราเนี่ยอรามสูงขึ้นหนึ่งนนะคะืบนะฮะอรามสูงขึ้นหนึ่ง่า แล้วก็ตามคนของธรรมชาติที่คนชอบเปรียบเทียบว่า น, น้ำในท้องถิ่นไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ทราบมากระแสของคนเลยนะครับแต่ไหลทุ่นกระใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องยอรับความจริงว่ายากหน่อยแต่ว่าพุทธศาสนาก็มีหลักหนึ่งหลักตใสศกขาถือว่ามนุษย์ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองชีวิตที่ดีของมนุษย์ได้มาด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนถ้าเราสร้างจิตสํานึกของการฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอ นี่แหละมันจะมาเป็นตัวหลักที่จะช่วยให้อยู่ได้ท่ามกลางไอ้การไหลลงของกระแสน้ำทีนี้กระแสของคนคือกระแสตรายสิกขามันไหลขึ้นอยู่เลยใช่ไหมพัฒนานี่คือขึ้นใช่มทีนี้ถ้ามันเป็นตัวหลักของชีวิตไปเลยใจสิกขาก็หมายความว่าการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนนี้เป็นชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันก็ไปได้สมดุลกันเลยกับไอ้กระแสลงของน้าใช่ม กระแสของตัวเราของมนุษย์ทุกคนนั้นก็คือหลักการแห่งใจสิกขาที่ขึ้นเลยนะมันก็เลยดุลกันอยู่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มันไม่สามารถจะนำจิตสํานึกในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าใจสิกขาเข้าไปสู่จิตใจคนได้ใช่ไหมฮะอ่ะเอ า, ห เ, หออาอเหนือกระแสนั้นอีกขั้นหนึ่งจะเหนือกระแสต้องเก่งอีกขั้นหนึ่งเลยนะนี่ก็จะพูดกันต่อไปแหละนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ ตอนเหนือกระแสนี่ตอนนี้มันเราเองมันอยู่ในกระแสถูกกระแสท่วมดิซัมเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นไปเหนือกระแสเพราะว่าตอนนี้จะดําได้แค่ว่าทําไงจะยืนหยัดอยู่ในกระแสได้ไม่ให้ถูกท่วมไม่ให้ถูกฟัดผาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ยืนหยัดได้ก็ทวนกระแสไปขึ้นฝั่งพอไปขึ้นฝั่งแล้วทีนี้ก็เหนือกระแสและทีนี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ตอนนี้ตอนนี้มันอยู่กลางทะเลกลางน้ําไม่รู้จะขึ้นไปได้ยังไงนี าที่ว่า<อ>ที่เวลาที่ว่าปลาไหลตามน้นี่คือป<อ>ลาี่กจะตาย อ, อันนี้ก็เอาคตินี้มาตื่นใจคนซะสังคมเป็นอย่างไรจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เหตุการณ์อย่างนี้กรณีอย่างนี้คนอย่างนี้เกิดมีขึ้นบ่อยๆใช่ไมค่านิยมสังคมกระแสสังคมที่เป็นสังคมบริโภค สังคมของนักเสพสองกลบเนี่ยในสถานการณ์เช่ น, นที่ที่เราคยที่เรากำลัมีกันอยู่นะครับไม่ทราบว่าจริงๆเราควรจะรตริสถาบันไหน่จะเป็นจะเป็นสถาบันหลักก่อนเดี๋ยวไปอบอกว่าเริ่มที่ไหนเลยคใครรู้ตัวมีจิตสํานึกเริ่มเลยรอกันไม่ได้เกี่ยงไม่ได้ในสภาพสังคมอย่างนี้ไม่เพรเกี่ยงให้คนนั้นเริ่มแล้วก็แย่ yeah, รอไปเถอะใช่ไมเพราะนั้นใครรู้ตัว ใครอยู่ที่จุดไหนตัวเองก็เริ่มขึ้ น, นเป็นแต่ว่าทําไงจะขยายผลแสวงความร่วมมือแล้วก็กระตุ้นจิตสํานึกของคนที่มีความรับผิดชอบเพราะโดยเหตุโดยผลโดยความสังควรนั้นผู้ที่อยู่ในสถานะที่รับผิดชอบต่อสังคมก็ควรเป็นผู้เริ่มเราได้แต่พูดว่าควรเช่นอย่างผู้บริหารประเทศหรือวงแคบลงมาสังคมย่อยที่สุดหน่วยย่อยก็คือครอบครัวพ่อแม่ พ่อแม่เนเปิดปัดความรับผิดชอบไม่ไดนะ้บางทีพ่อแม่ก็ไปปัดความรับผิดชอบให้ผู้บริหารประเทศอีกใช่ไม้มปัดความรับผิดชอบไปให้ครูคือปัดกันไม่ได้ที่จริงมันรับผิดชอบในส่วนของตนของตนพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นหน่วยย่อยส่วนประกอบขั้นรากฐานของสังคมเลยถ้าพ่อแม่วางรากฐานดีเนี่ยก็จากสังคมที่ดีนั่นแหละก็ไปสู่ สังคมหน่วยใหญ่ประเทศชาติที่ดีไปด้วยใช่ไหมแต่นี้พอแม่ก็บอกอ้าวสังคมครอบครัวฉันครอบครัวเดียวจะไปทำอะไรได้แค่ไหนถ้าเรามัวพูดอย่างนี้มันก็ไม่มีจุดเริ่มใช่ไหมทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่รู้ตระหนักถึงความยากเพราะยิ่งยากก็จะทำให้เรายิ่งต้องเข้มแข็งใช่ไหมเราเอาใช้ความยากเอาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อนี่แหละมาทาให้เราต้องใช้ปัญญา และความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปเอาไอ้ความยากมาเป็นเหตุให้ตัวท้อใช่สิก็ต้องสู้พอยิ่งยากก็ยิ่งต้องใช้พลังมากต้องใช้สติปัญญามากเหมเหมือนอย่างกองทัพราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะเอาชนะทัพพม่าเก้าทัพได้กองทัพน้อยสู้กองทัพพม่าทั้งเก้าทัพ ก็ต้องใช้สติปัญญามากใช่ไหมความเข้มแข็งของจิตใจความสงบาการประสานสามัคคีในหมู่ทหารเสร็จแล้วรายการที่หนึ่งก็ส่งเอาชนะกองทัพพม่าเก่าทัพได้จริงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อพลังฝ่ายร้ายมันมามากเราก็ต้องยิ่งตระหนักอันนี้ใช้สติปัญญาให้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นถูกไหมฮะวางแผนให้มันที่ถทว น, น มันก็หลุดลอยจากบทบาทหน้าที่ของตนเองก็ไปเป็นเพียงผลผลิตของสังคมนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดในสังคมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กันและกันอันนี้เวลาเราแก้เราจะไม่ปัดความรามับผิดชอบถ้าเราพูดถึงตัวเองเราต้องพูดในเชิงที่ว่าต้องพูดเชิงไม่ประมาท หาข้อบอกพร่องปัญหาของเราที่มีแล้วจะได้แก้ไขยอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงคนอื่นนะพูดเพื่อชี้จุดเพื่อจะปลุกใจให้ขึ้นมาแก้ปัญหาพูดได้แต่ผู้อยากพูดแบบซัดกันถ้าพูดสัดกันเอาละพระก็ไม่รับความผิดของตัวเองแล้วใช่ไหมก็บอกก็ปุณญาตโยเยงั้น ง, นงี้อะไรงี้นะถ้ามองภาพรวมมีวิธีมองอีกอย่างหนึ่ง ตอนที่เกิดปัญหามากเรื่องข่าวพระเสียหายมากมีแล้วมีอีกผมพูดอยู่เรื่อยแต่ไม่เห็มีใครเอาใจใส่บอกว่าการที่เกิดเหตุไร้ความเสื่อมโทรมในหมู่พระสงฆ์นี้มันเป็นสัญญาณฟ้องว่าสังคมของเรานี้ได้เสื่อมโทรมอย่างยิ่งแล้วเพราะตาม ป, ะปกตินั้นพระสงฆ์คือส่วน ที่เป็นยอดสุดดีที่สุดในทางความประพฤติความดีงามจริยธรรมของสังคมถ้าความเสื่อมนี้ได้เข้ามาถึงจุดที่ดีที่สุดของสังคมนั้นก็เป็นเครื่องบอกแล้วว่าเวลาเนี้ยสังคมส่วนใหญ่เนี้ยเลวร้ายขนาดไหนท่านสงสุงถึงได้เป็นขนาดนี้เมื่อมองอย่างนี้แล้วจะได้รีบตื่นขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมไม่ใช่มาโมเพ่งจ้องแล้วเวลานี้ เ, นเห็นไหม เนี่ยการที่ความเสื่อมจะมาถึงแกนกลางทางศีลธรรมสังคมเนี่ยสังคมส่วนใหญ่มันต้องแย่เต็มทีแล้วเวลานี้มันก็แย่แล้วแต่คนไม่ยอมมองอ่าคือควรจะมองในลักษณะความสัมพันธ์ความเป็นเหตุปัจจัยอย่างนี้สถาบันสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยทั้งโดยบทบาทหน้าที่ของตนเองก็ต้องเป็นหลักให้ในทางธรรมะทางจริยธรรมอะไรที่ว่าแล้วทั้งโดย ประเพณีสภาพแวดล้อมวัฒ น, นธรรมของสังคมก็ช่วยเชิดชูไว้มีเกราะมีอะไรก็ช่วยลอล้อมช่วยกันช่วยอะไรไว้ให้อยู่ในภาวะที่ดีที่สุดได้ใช่ไหมแต่นี้พระเองเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงพระถึงได้เป็นอย่างนี้มันแสดงถึงภาวะสังคมเองด้วยเพราะนั้นเราจะไปมองแค่จุดหนึ่งจุดเดียวต้องมองในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม นั้นเมื่อมองไปภาพรวมก็จึงต้องพูดอย่างที่ว่าถ้าพระเสื่อมโทรงขนาดนี้ให้ตื่นตัวขึ้นมาเสียว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมส่วนใหญ่มันต้องเลวร้ายอย่างหนักแล้วส่วนที่ดีที่สุดของเรามันถึงได้เสื่อมโทรมได้ถึงขนาดนี้